นะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ชอบเจอแล้วก็อยากผลักไสส่วนความสุขก็เป็นสิ่งที่ใครก็ชอบเจอแล้วก็อยากจะเข้าหาอยากจะครอบครองแต่ก็มีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะบอกว่า ความทุกนี้ให้อะไรแก่เรามากมายิ่งกว่าความสุขนความสุขมันทำให้ล่องรอยต่วความทุกนี้มันทำให้เรารู้จักตัวเองทำให้ใครควรกับชีวิตคนที่พูดนี่เขาก็ไม่ใช่เป็น คนที่สุขสบายเท่าไหร่เป็นคนที่เรียกว่าอะพิการพิการยิ่งกว่าคนพิการส่วนใหญ่ที่เราเคยพบเห็นผูญิง ค, ค, คนนี้เป็นมีโรคที่เขาเรียกว่าอะรการมเืออ่อนแรงที่ปลายประสาท โรค ก, กลาม้ออนแรงนี่มันก็หายากอยู่แล้วนะแล้วก็แย่อยู่แล้วนะี๋ยมาเป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทด้วยทั้งหายากแล้วก็ทุกทรมานมากโรคนี้มันถึงตายนะเพราะว่าร่างกายคนเรามันทำงานได้ก็เพราะสายกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่ เดินเหินแต่รวมถึงการกระพิบตาการกินการเกิด น, น้ำลายการดื่มรวมทั้งไอการทำงานของอวัยวะภายในด้วยการเต้นของหัวใจของปอดคนที่เป็นนี่ก็ค่อยตายคใใ่อซา อาจจะเริ่มต้น่างสัญญาเล็กๆเช่นตาหนังตาตกนะหนังตาตกแล้วก็การเดินการเทินก็เริ่มมีปัญหาถ้าเป็นมากๆก็เรียกว่าต้องนอนนิ่งบางคนก็ ตาไม่ได้กินกินอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างของคนลอานั้นมันต้องใช้กรรมเนิดมาอยู่รอดได้คือวันนี้ก็เป็นมั้งแต่เล็ ก, กค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆนหลังก็เดินไม่ได้แต่ยังอุตส่าห์เด็กจะเรียนหนังสือนะ นี่ก็แปลกนะคนบางคนสุขภาพดีไม่อยากเรียนหนังสือนี่ต้องคนนี้ขนาดเดินไม่ไหวก็ยังขอให้พ่อนี่อุ้มไปหรือขี่หลังพ่อไปเรียนหนังสือในมัธยมหลังก็ตัวใหญ่พออายุสักสิบห้าสิบหก่าที่พ่ออายุก็ แก่ตัวลงก็พาลูกไปเรียนหนังสือไม่ไหวขึ้นบันไดแบบลูกขึ้นบันไดไม่ไหวโรงเรียนก็ไม่มีลิฟตนะ์ส่วนใหญ่กเ็เอาไว้สำหรับคนตึกอาคารเอาไว้สำหรับคนที่เดินได้ปกติสุดท้ายลูกก็ต้องตัวเขาก็ต้องนอนอยู่บ้าน ตอนหลังก็เดินไม่ได้ขยับมือขยับแขนยังไม่ได้ได้นิดหน่อยนรรอวันตายแต่ว่าก็มีเหตุบางมีเหตุการอย่างนี้ทำให้เปลี่ยนชีวิตเขาใี่นอนรอวันตายอยากจะฆ่าตัวตายก็ ก็มี่าหรือยายมาอ่านนิยายฟังอ่านนิยายฟังแล้วก็เกิดความคิดอยากจะเขียนนิยายเขาบ้างพออยากเขย่ยาเข็ยนยายมันเกิดมีจุกงหมายในชีวิตคนเรานี่ถ้ามันถ้าไม่รว่าอยู่ไปทำไมมันอยากตายนะ แต่พอมีจุดมุ่หมบางชีวิตแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็กลับมีเรื่องมีแรงขึ้นมาได้คนแก่บางคนจะตายไม่เลื่ออยู่ไปทำไมเมียก็ตายอยู่คนเดียวไม่อยากกินข้าวไม่สนใจแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่แบบรอวันตาย ขาก็ไม่อยากกินแต่พอมีคนเอานกแก้วมาให้เลี้ยงก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาเริ่มจากการสังเกตนกแก้วแล้วก็เริ่มพูดเริ่มคุยกับคนถึงเรื่องนกแก้วแล้วก็เริ่ ม, มคื อ, อยี้ขยับตัวลุกจากเตียงเอาอาหารไปให้มัน ก็หลังก็พอรู้ว่าในบ้านพักคนชลามีเลี้ยงหมาด้วยอะก็เลยเดินออกจากห้องพักหลังจากที่ไม่ออกมาเป็นเดือนไปหาหมาเลี้ยงหมาพามาไปเที่ยวเดินเล่นก็เริ่มกลมากินกลมาใช้ชีพเหมือนคนทั่วไปเจนทั้งกลับบ้านได้ อันนี้ก็พอลุเริ่มมีถูงหมาในชีวิตเลียเ้ยงหมาเลี้ยงนกแค่นั่นแหละมันก็ทําให้คนมีชิวชิวว่าอย่างเด๋ยวคนนี้ก็ชื่อแพรวัยยี่สิบ ก, กว่าอยากเขียนนิยายเขียนยังไงพิมพ์ดีก็ไม่ได้เขียนหนังสือด้วยปากกาก็ไม่ได้แต่ว่ามันจิ้มแป้นได้นะ จิ้มก็ไม่ได้จิ้มเหมือนคนทั่วไปนะไม่สามารถจะเอาปลายนิ้วจิ้มได้ต้องงอนนิ้วนะต้องงอนิ้วแล้วก็แล้วก็แท่งลงไปนะกับกับแป้นแป้นแป้นพิมแป้นคอมพิวเตอร์ไม่เห็แป้นคอมพิวเตอร์แป้นโทรศัพท์มากกว่าจิ้มลงไปกับแป้นโทรศัพท์ มือถือก็เขียนทีละตัวทีละตัวก็ยากเหลือเกินแต่ว่าใจมันมีพลังร่างกายเหมือนคุกแต่ว่าใจเปีนปสละคิดอะไรได้ร้อยแปดจินตนาการได้สารพัดก็ใช้เรียกว่าใช้ ให้นิ้วเนี่ยที่หักงอเนี่ยจิ้มกระแทกแป้นไปทีละตัวทีละตัวทีแล้วก็เอาขึ้นเว็กคนอยากคนก็อ่านนะกันหลังก็มีสาพิมพ์มาซื้อไปพิมพ์เป็นเล่มก็เกิดกำลังใจทำไปเรื่อยชีวิตแม้จะลำบากแตว่ามันใจมีความสุขรู้ว่าอยู่ไปทำไม อยู่เพอเขียนนิยายบอกว่าขายได้เรื่อยๆตอนนี้พิมพ์มาแล้วสิบสีเล่มแล้วกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อไปมากายเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวนะแล้วคนพิการนี่ที่ประเทศ ม, มันก็ ต้องมีคนป้อนข้าวให้พาเข้าห้องน้ำนะกับกลายเป็นคนที่หาไรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวไม่น่าเชื่อมีเงินส่งเสียน้องไปเรียนหนังสือค่าชาวบ้านก็นมาก็ได้มาจากเงินที่ตัวหามาแม่พ่อแม่ตกงานแม่ก็อาศัยเงิน ที่หลวงิการนี่แหละหาไมา้พ่อก็ตายไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคนที่ช่วยเหลือไม่ได้แทบจะทำอะไร ไ, ไม่ได้สักอย่างแม่แต่จะขยืดขยับมือก็ทำไม่ได้นะแต่ว่ากลายเป็นคนที่ใครๆก็ต้องพึ่งคนในบ้านก็ต้องพึ่งพาอาศัย คนที่มีสุขภาพดีอาัยวะครบสามี่บสองมีจำนวนมากเลยนะทำตัวเป็นพานลร่างคนอื่นสร้างความปวดเสียนเวียนก้าวหรือสร้างความสร้างปัญหาบองคนก็เอาแต่นร่อง น, อ, ง น, อ, งนอนไ ม, ไม่เป็นไม่เป็นกัรทาอะไรต้องให้พ่อแม่เลี้ยง แต่วันนี้ทางที่ก้มเลือดตายเมื่อไหร่เลยเส้นตายที่หมอบอกไปแล้วนานหลายปีแล้วตอนนี้อายุ29หมอบอกว่าเนี่ยยังไม่ถึง20ก็ตายอันนี้ของว่าใจนะใจมีมีกำลังที่จะสู้คนนี้เคยเป็นคนที่บอกเนี่ยความทุกข์นี่มันให้อะไรกับเรามากกว่าความสุข ความสุขมันทำให้่องลอยล่องอล อ, งอยคือว่าก็คล้ายๆว่าเหมือนกับมันเพลินจนประมาทพอเพลิดความสุขมันก็ใช้ชีวิตไปในทางที่ตกต่ำย่ำแย่พวกที่ติดอบายามุกนี่ก็คือพวกที่มั น, มนเพลินในความสุขซึ่งก็เป็นความสุขแบบหยาบ แล้วก็ไปกลกูไม่กลับก็มีไอ้สิ่งที่ไอ้ความทุกข์นี่เปสิ่งที่เราไม่ชอบมนี่มันก็มันก็ให้อะไรกับเราบ้างมายทาไม่จิตใจเราเข้มแข็งทำให้เราเนี่ยพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อทําให้จิตใจไม่ใช่ความทุกข์บางทีร่างกายมันทุกข์เอา มันหลุดพ้นไม่ได้นะแต่ว่ามันก็บีขั้นทำให้ต้องวางใจให้เป็นอดทนเข้มแข็งเดี๋ยวไม่พอมันต้องวางใจให้ถูกเ mm hmm. ช่นอาจารมีอยู่กับปัจจุบันนะไม่คิดถึงอนาคตมากนะักรู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดฟุง้งซ่านหรือว่ารู้จักมองแง่ดีมองบวก พอมองบวกแล้วนี่มันก็สามารถที่จะมีกำลังใจนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าทึ่งมากก็พูดถึงความทุกข์ยากลำบากนี่ก็ยกว่าลำบากกว่าจาง ก, กำพลเยอะจาง ก, กำพลนี่ยังยังทำอะไรได้ยังหลายอย่าง แต่นี้ก็เพียงแค่วเพียงแค่เอาเพียงแค่หงิกนิ้วแล้วก็จิ้มคีย์บอร์ดลงไปทำได้เท่านั้นนะแต่ก็สามารถจะใช้ศักยภาพที่ที่มีอย่างจำกัดนี้ทำอะไรได้อีกมากมายพูดถึงในความสุขเนี่ย มันก็อย่างอย่างที่พูดไปนะมันทำให้คนเรานี่เพลินแล้วก็ประมาทได้ง่ายหลงตัวลืมตนสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี่บางทีเราก็ต้องระวังนะเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกับมันมากๆนี่มันไม่แค่หลงตัวลืมตนเดียวมันสามารถจะทำให้เกิดโทษภัยอย่างอื่นได้ คนเดนี่เนี่ยจำนวนมากเลยตายเพราะสิ่งที่ให้สิ่งที่ตัวเองชอบนะตายเพราะสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมากทีเดียวชอบอะไรบ้างอย่างยาวๆก็สูบบุหรี่กินเหล้านะยายาเสพติดพะชอบเลยถึง โดนเข้าหามันแล้วก็เลยติดมันพอติดมันแล้วก็กลายเป็นทาตมันออกจกมันไม่ได้คนเราเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ชอบเราก็พยายามหนีซึ่งก็ทำให้เราปลอดภัยแต่ว่าไปพลาด่าตุไปเข้าหาสิ่งที่ชอบไม่ต้องพูดถึงเหล้ายาบุหรี่ก็ได้นะ อาหารที่เราชอบนี่้าเรากินบ่อยๆกินมากๆนี่มันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายคนอีสานจำนวนมากนี่ชอบปาดิบกินปาดิบเข้าไปก็มะเร็งเลยเพราะว่าในปาดิบมันก็มีพวกพืชยาใบไม้ในตับอันตรายเพราะสิ่งที่ชอบนี่เยอะ ตัดเรื่องเพื่แบบไม่ได้ตัดไปเรื่อยพวกน้ําตาลนะพวกน้ําตาลพวกของเค็มบางคนก็ชอบกินของหวานเยอะก็ตายเพราะของหวานมากเบาหวานเป็นเบาหวานจะตายอยู่แล้วก็ยังก็ยังเลิกไม่ได้บางคนก็ชอบกินของเค็มอันนี้ก็ป่วย ไตาวายไรยพังก็กินของที่ชอบชอบกินของเค็มของหมักดองของทอดหลายคนก็ชอบนะก็ค่วยไม่พาะของที่ชอบนี่แหละบางคนก็ชอบกินพัโลานะหรือว่าขาหมู กินไบกินไปก็โกรคหัวใจตายเดี๋ยวนี้คนเรานี่มันตายเพราะของที่ช็อคนะไอ้ของที่ไม่ช็อ้นี้ไม่ทําให้คนตายพบหนีของที่ทําให้ให้ของที่ทําความช่วยกันเรานี่มันไม่ค่อยทําให้เราเป็นอันตรายเท่าไหร่ไอ้ของที่มันให้ความสุขกับเราไอ้ของที่มันให้ความอร่อยกับเรานี่แหละที่มันทาให้ผู้คนตายมากมาย เนีย่ยนี้คนความสูงคนก็คืออยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีต้องมีรถไม่มีรถไม่ไปไม่อยากเดินเดินมันเหนื่อยของชอบคือการที่ไม่ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยแต่แล้วก็ตายกันมากมายเพราะไอ้ไอ้ไสิ่งแบบนี้แหละพอไม่ออกกาลังกายก็ แต่มีอาหารการกินที่รวดเร็วแต่แต่เป็นของชอบทั้งนั้นเนื้อนมไข่ไขมันน้ําตาลกินเข้าไปกินเข้าไปแต่ไม่ออกกําลังกายเพราะไม่ชอบออกกำลังกายก็ตายไม่ตายเพราะของชอบนะตายเพราะสิ่งที่ให้ความสุขปนเปื้อแก่เรา อย่างนี้คนเรานี้น่าจะน่าจะระมัดระวังไอ้ของชอบหรือสิ่งทีให้ความสุขกับเรามากกว่าที่ดูดูนะมันก็มีเยอะนะความสะดวกสบายก็เป็นของที่ใครก็ชอบเสรแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่า สุขภาพก็ยามแยใไ้ความสะดวกสบายนี้แหละลองพิจารณาดูนะถ้าเราดูจริงๆก็เพราะว่าไอ้ของที่ให้ความสุขหรือของที่สิ่งที่เราชอบเนี่ยนะมันมันมีผลเสียต่อชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่น้อยทีเดียว ไม่ใช่เพระเรื่องทางกายเรื่องทางจิตใจด้วยความชื่นชมสารเสริญก็เป็นของที่ใครก็ชอบเองินทองก็เป็นของที่ใครก็ชอบแต่แล้วก็ไอ้ของชอบเนี่ยที่มันทำให้คนทำชั่วอทีิปล น, นี่ก็เพราะอยากได้เงินอยากได้ทอง อยาได้ความสุดกสบายก็เลยทำชั่วติดคุกติดตรางเพราะว่าอยากได้ชื่อเสียงกิตติยศก็ต้องคดโกงหักหลังทำบาปนั่นก็พล อ, อยถ้าไม่ถูกติดคุกติดตลางก็ถูกเขาทำร้ายค่อถึงไม่ทำชั่วแล้ว่าทำให้ใจมันเป็นทุกข์ เพราะว่าใจมันโหยหามไม่ได้มันก็ทุกข์ไม่มีคนเชื่อมชนสรรเสรยไม่มีคนกดไลค์ก็ทุกข์นี่เวลาเวลาเราเจอเวลาเราเจอความสุขอะไรนี่ก็ต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่า มันอจะทำให้เราหลงทำให้เราลืมตัวแล้วก็ทำให้เร า, าเป็นทาสของมันก็นได้พอเป็นทาสของมันแล้วนี่ก็ก็เป็นอันตรายนะไม่มีความสบายความของชอบเนี่ยก็พามันก็ติดตัวแม้กระทั่งเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ ก็มักจะมาหาความสบายก็มีหลายคนก็เวลาจะมาปฏิบัติธรรมก็ก็จะเลือกว่าอะไรที่มันสำนักไหนที่มันสบายนะหรือว่าเลือกนะไอ้ตรงไหนที่มันจุดไหนที่มันสบายก็จะมาตรงนั้นละถ้าไม่สบายก็ไม่ไปไม่สะดวกก็ไม่ไป ถ้าจะไปก็ต้องหาที่จะมันสะดวกสบายถูกใจขณนะจะมาปฏิบัติธรรมก็ยังเอากิเลสเป็นตัวตั้งก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมาก็เพื่อจะเอาความสงบอะไรที่ทาให้ใจไม่สงบ ก, ก็ไม่เอานะมันทุกอะไรที่ไม่สบายก็ไม่เอานะ จะเลือกกุฏิก็ต้องเลือกกุฏิที่สบายที่ถูกใจนะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอาเนื้อคนลลอยมันถ้าเราปล่อยให้ความปล่อยให้ใจมันเข้าหาหรือปล่อยให้ชีวิตนี้เข้าหาความความสบายหรือความสุขหรือว่าของที่ชอบนี่นั่นคือการคือการพาตัวเองนี้เข้าสู่ความความเสี่ยง หรือความทุกข์ในที่สุดเวลาใจมันจะเข้าหามันจะถูกความดึงดูดถูกถูกความสบายดึงดูดนี่ต้องตั้งสติให้ดีอย่าไปเคลิ่มคล้อยแบบความความสบายหรือความสุขมากมันให้อาจจะดีระยะสั้นนะแต่มัน กลายเป็นโทษระยะยาวได้ถ้าปฏิบัติรมบางทีก็ต้องเข้มแข็งเข้าหาที่ที่มันมันไม่สบายเข้าหาที่มันที่ใจไม่ชอบนั่นเป็นปการทวนกระแสกิเลสเพราะว่าถ้า ไหลไปตามสิ่งที่ชอบนี่ยก็คือการปล่อยใจให้อยู่ในอำนาจกิเลสนั่นเองคุณเราไม่สามารถชนะถ้าทํางั้นมันก็ไม่สามารถชนะกิเลสได้ถ้ากิเลสเนี่ยปล่อยให้มันครองใจมากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นแล้วบางทีเราก็ต้องต้องมีต้องมีความกล้านะที่จะทวนกระแสกิเลส หรือฝืนกิเลสบ้างกิเลสมันอยากอยากจะได้ที่สบายได้ของที่เป็นสุขมีสุขที่ไหนเข้าหาที่นั่นเราก็ต้องทนต้องฝืนต้องขัดขืนมันบ้างไม่ทําตามกิเลสมไม่ชอบความลำบากกิเลสไม่ชอบความอไม่สบายเราก็ต้องเข้าหาไปตรงนั้นแหละยิ่งจะมาปฏิ บ, บัติธรรมนี่ ยิ่งต้องยิ่งต้องมีความเข้มแข็งนะอนไหนที่กิเลสมันมันมันปรเข้าหาเนี่ยเราก็ต้องเอาสวนทางกับมันบ้างอะไรที่ไม่ชอบมีนก็ต้องเข้าไปหามบ้างอะไรที่ไม่สบายก็ต้องไปตรงนั้นแหละกิเลสมันเจออะไรที่ไม่สบายมันชอบบน่น บนโน่นบนนี่มันมีการผักใสเราก็ต้องพยายามที่จะหากข้ามใจไม่ให้บนทำใจยอมรับมันเพราะจิตที่มันชอบบนถึงแม้มันไม่พูดออกมาข้างนอกเนี่ยมันเป็นจิตที่เรียกว่าหาความทุกข์มาใส่ตัว ิบนมาเท่าไหร่ยิ่งก็ทุกมาเท่านั้นทั้งที่อยากได้ความสุขนะแต่ว่าลงเอยด้วยความทุกข์อยากได้ความสุขแต่เจอแต่พอไม่ได้ความสุขก็ก็บน่นวายก็กลายเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวไม่ชอบความทุกข์แต่พอบนก็กลับเป็นการเอาความทุกข์มาใส่ตัวให้เพิ่มมากขึ้น บางทีการที่เราฝึกแนวฝึกฝึกฝึกตน ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝึกใจโดยการไม่เข้าไปหาความสดกสบายตะพึดตะผือหรือว่าจะทำอะไรก็ไม่เอาความสะดวกสบายความสุขหรือความถูกใจเป็นที่ตั้งหรือเป็นตัวตั้งแต่ก็พยายามที่จะผลักเข้าไปหาเลือกเดินเข้าไปในที่ที่มันลําบาก ที่มันไม่สบายที่มันไม่ถูกใจไม้ว่าใจมันอาจจะยังใจอีกส่วนหนึงมันไม่ชอบมาจะบน่นเพราะว่าบางครั้งไม่ได้เลือกเองแต่ว่าถูกถูกกำหนดหรือว่าต้องเจอโดยที่ไม่ตั้งใจมก็บน่นเป็นรถติดอากาศร้อนยุงเยอะ หรือว่าคนรอบข้างไม่น่ารักให้พวกนี้พอใครเจอเขาก็มันม่มีการผักใสไม่ชอบแต่สิ่งที่ไม่ชอบบางทีมันให้อะไรกับเรามากกว่าสิ่งที่เราชอบอย่างที่คนที่ชื่อแพร่ก็พูดความทุกมันให้อะไรเรามากกว่าความสุข หรือพืชยาหือสิ่งที่ไม่ชอบนี่มันให้อะไรกับเรามากกว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามันให้อะไรกับเรามากกว่าสิ่งที่ถูกใจก็ได้สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบสิ่งที่ให้ความสุขนี้อันตรายไม่ใช่แค่ทำให้ใจเราล่องรอยอย่างเดียวนะอย่างที่บอสนะอยทำให้เราอายุสั้นทำให้เราตายเร็วหรือว่าเจ็บป่วยได้โรคต่างๆหรือว่าไม่ไม่ไม่เจริญ เด็กก็ชอบเล่นเกมเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือก็เล่นเกมติดเกมไปโดยระทั่งการเรียนตกต่ำย่าแย่เนีย่ยลองพิจารณาดูเวลาคนที่เขามีปัญหาชีวิตเขาย่าแย่เจ็บป่วยล้มเหลวเนี่ยสาวไปสาวไปเพราะออมมันเป็นเพราะไปหลงติด ก, กับสิ่งที่ชอบนั่นแหละมันไม่ใช่เพราะว่ามัน ไปไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบแต่พ่อไปหลงติดกับสิ่งที่ชอบทั้งนั้นแหละดูๆไปนะอ้ที่ตายเลยก็เพราะไอ้สิ่งที่ชอบนั่นแหละน้อยนะไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเช่อนอุบัติเหตุเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะที่ตายเพราะอุบัติเหตุจะเป็นเพราะว่ากินเหล้าเมาเลยกินเหล้าเมาเไอเมา มันก็เลยเนะจออุบัติเหตุไม่ลองสืบสาไปดูพิจารณาดูวีดีคนที่ชีวิตไม่เจริญมีปัญหาเจ็บป่วยดูแล้วแต่เพะ่ะไอ้สิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ให้ความสุขข้งหลองนั้นมินดืลอันนี้ก็คนไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่ในบางที เข้าหาสิ่งที่ไม่ชอบบ้างก็ดีเหมือนกันเข้าหาสิ่งที่มันให้ความทุกข์กับเราหรือเจอ บ, บ่อยๆกับจะดีเช่นเด็กไม่ชอบกินผักเราก็ต้องกินผักไม่ชอบกําลังกายก็ต้องออกไม่ชอบทงกํบบ้ากก็ต้องทำผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่ชอบกําลังกายไม่ชอบการปฏิบัติก็ต้องไปที่ไหนที่มันลำบาก ที่พักไม่ไม่สะดวกสบายก็ต้องไปไม่ใช่แต่จะรีบเข้าหาปรีเข้าหาแต่ที่พักที่มันสบายถูกใจใธรรมญาติตามก็เป็นความพยายามหนึ่งนะที่จะไห้คนได้เรียนรู้ว่าไอ้ความไอ้ความทุกข์สิ่งที่ไม่ชอบนี่มันมันให้อะไรกับเราบ้างมันให้สิ่งดีๆอะไรกับเราบ้าง ให้ลองพิจารณ า, า, าดีๆนะว่าความทุกข์เนี่ยที่แพลวเ็บอกความทุกข์มันให้อะไรกับเรามากวาความสุขโยงให้ไปถึงว่าสิ่งที่เราชอบนี่มันสามารถจะเป็นโทษกับเรายิ่งกว่าสิ่งที่ไม่ชอบสิ mm. ชาลีพุทธม น, นีนะอากาศครับ